โทรงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงครบโทรงชาติ เวลา 8 น. I will be there FM 90.25 MHz สวท. นครพนมมือบังคับรถ ทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนครั้งที่ใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุลดแน่เพียงแค่ 1 นน, ร, คน 1 วินัย 1 ด้วยความห่วงใยจาก สวท. นครพนมปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล่า เพื่อตัด 3 ปล่อยปลากินลูกน้ําเช่นปลาหานกยุงปลาสอดปลาคือคัดล้างไข่ยุง ร่วมใครเลือดออกช่วยป้องกันไคเลือดออกไคเลือดออกรูกอนรูท่าน เวลา 5 น. ถึง 6:00 น. และรายการปาฐกถาธรรมเวลา 8:00 น. ทาง FM 90.25 MHz AM 981 kHz ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอะๆแล้วไงอ่ะนอกจากนี้ยังคุ้มครองดู 200 200 ต่อเดือนเหรอ ประกันภัย 200 ราคาถูกซื้อ 200 กับคนที่คุณรักสังคมและวัฒนธรรมประชาคมการเมืองและความเดียวหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม 2558 พร้อม ที่ไหน องค์ดองสมานฉันท์เริ่มต้นกันวันนี้ที่ คําชี้แจงของพลเอก 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้ กอง 2 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟังราย 30 อีสานม้วน น. ถึง น. ๆ สวัสดีครับท่านผู้ เป็นคิวของจังหวัดอุดรธานีนะครับ 95 สถานีทั่วภาคอีสานนะ นั่งบุญมีท่าน ครับก็มีหลายประเด็นคร 20 อำเภอของอุดรธานีปัญหาต่าง ก็มีเหมือนกันที่ท่านได้ไปติดตามนะครับส่วนของครับอยาก และครับของศูนย์ปกอง 22 พฤษภาคมจนถึงวัน 15 กันยายน 2557 นะครับอ่าในการจัดทําเวทีนั้น 156 ตําบลเนี่ย 448 ครั้ง นะครับ 58,856 คนครับ 60 ปัญหาด้วยกันด้วย 116ๆ นะครับ 156 ตำบลเนี่ย 121 156 ใน 98 ตำบล ครับ 2 3 ใน 3 3 3 พบ 1 ถึง 2 3 ไฟฟ้าประปามีๆเรื่องยาเสพ นะครับก็คือในเรื่องของราคา 2, นะนะ 2> แล้ว สำหรับทัศนะคติต่อ คสช. ครับใน 156 ตำบล 156 ตำบล 20 อําเภอของอุดรธานีเราเราได้ๆด้วยกันครับในประการแรกคือ ขาด 2 ท่านพี่น้องประชาชนไม่ ท้องถิ่นเองอ่ะมีงบประมาณเป็นของตัวเองอยู่ 3 เมื่อทางองค์ นะครับในการที่จะแก้ไขครับแต่ครับไม่ครับมากก็ แก้ปัญหาอะไรได้บ้างเราก็เก็บไว้ให้ ง, ชชช อง, 1 พี่น้องประชาชนช่วยตนเองในปัญหาที่แก้ อันดับกันในส่วนของ 63 14 คดี 63 คนครับนะครับเป็นของต้นนะครับตรงนี้ยังไม่รวมของ คือในเรื่องที่มีโบราณกันว่าเนี่ยนะครับใน งานศพไม่มีการพนันตรงซึ่งวันนั้น 2 วันเนี่ย นะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ป่าไม้ ครับในอำเภอเจ้าของพื้น กฎหมายครับครับเพราะว่าที่ 2 คดีผู้ต้องหา 16 ที่ผ่านมานะครับผ่าน 22 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 กันยายน 2557 เนี่ยเราก็เข้าไป 97 ล้านครับ 4 แห่งแล้วก็ 12 แห่งครับนะ เน้นมุ่งเน้นไปที่ลูก 24 นะครับความผิดท่าน 2 ก็คือถ้ามีเด็กเข้าไปเล่นเกมนะ หาไว้ซี 16 อีกครับนะ ประเด็นอื่นๆท่านครับมีมั้ย 11 คําถามด้วยกันครับ ที่เราๆด้วยกันครับนะครับคือคือพี่ จังในเรื่อง 2 ก็คือขาด 3 คือนัก การขาดความสมานคีแบ่งฝักแบ่งครับนักครับนะครับครับอ่าภาคครับนะครับครับนะครับครับนะ นักการเมืองมีอํานาจมากเกินไปคือภาคข้าราชการ นะครับเข้าก็เช่น อบจ. ทับซ้อนกับเทศบาลกับ อบต. ครับก็ก็เสนอมาด้วยนะครับอย่างอาทิเช่นการซื้อสิทธิ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมแล้วก็เที่ยงธรรมครับนะ นะครับนักการเมืองที่แทรกแซงการ จะเอาแก้ปัญหา 2 คือการที่ 2 นะครับที่ทาง คสช. ให้ นะครับ 2 ก็คือ 3 คือไม่มีบทลง คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารประเทศครับนะครับซึ่งเป็น นะครับตรงนี้ถ้าเรามีคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของมาตรการทางกฎหมาย นะครับสําหรับในใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ ของค้าราชการตํารวจเนี่ยนะ นะครับในครับผมไม่ได้คิดเองนะฮะ ได้มีโอกาสมาปกครองบ้านปกครองเมืองครับถ้าได้คนดีครับปัญหาทุจริตครับการครับถ้าคนครับใช่มั้ย ว่าๆเนี่ยครับ 2 นาทีครับท่านครับอยากให้ท่านได้พูดถึง ราชการในในหลายพื้นที่นะครับในอีสาน 20 บ้านครับที่จะต้องมาปัดกวาดทําความ ในเรื่องของการต่อต้านยาเสพ 2 ในคุ้ม จุดครับครับครับ กลุ่มใช้หลักธรรมนะครับในเรื่องอัตตาอัตโนนา เรื่องตรงไหนที่ช่วยตัวเองได้ นะครับร่วมครับครับผม ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เขต 2 รวม 2 ด้วยนะครับ รม. กฤษฎิพงษ์ถวายชัยครับ